ตอนนี้คนรู้สึกตัวได้เป็นเรื่องปกติคนแยกธาตุแยกขันธ์ได้เยอะมากเลยถ้าเรายังสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้โดยมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่ากัเราจเจริญสติปัฏฐานอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าตราบใดที่ยังมีผู้จเจริญสติปัฏฐานอยู่ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ประโยคนี้ไม่เคยหายไป 2,500-2,600 ปีชาวพุทธยังจำได้แต่จุดสำคัญคือลืมวิธีเจริญสติปัฏฐานไม่รู้ว่าเจริญยังไงมีหลายคำซ้อนกันไปซ้อนกันมาทำให้เรายุ่งยากในการปฏิบัติ าบางทีก็บอกให้เจริญสติปัฏฐานทำบางทีบอกทำวิปัสสนากรรมฐานตังเรามันทำอะไรกันแน่ที่จริงก็คือทำวิปัสสนากรรมฐานการเจริญปัญญาการปฏิบัติการฝึกฝนตนเองของชาวพุทธนั้นมีสองส่วนการฝึกฝนกายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้ฝึกด้วยการตั้งใจรักษาศีลไว้ อีกส่วนหนึ่งเป็นการฝึกจิตการฝึกจิตนั้นะยังแยกออกเป็นสองส่วนฝึกจิตให้สุขให้สงบให้ตั้งมั่นนี่เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานฝึกจิตให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเรื่องมีปัญญาเป็นส่วนของวิปัสสนากรรมฐานการรักษาศีลการทำสมาธิเพื่อความสุขความสงบอะไรนีมีมาก่อนพระพุทธเจ้า นี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธถ้านํามาใช้เห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็มาใช้ถ้านํามาต่อยอดในเรื่องของการเจริญปัญญาหรือการทํามวิปัสสนากรรมฐานการทํามวิปัสสน า, านการรมฐานนั้นเป็นการเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรารูปธรรมนามธรรมานี้ แยกได้หลายแบบแยกได้หลายหลายแบบแยกเป็นขันห้าก็ได้เป็นรูปเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วของจิตวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกอย่างนี้ก็ได้รูปนามที่ประกอบเป็นตัวเราบางคนก็แยกออกเป็นอายตนห สิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกเป็นอยนายตนะหก็ได้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปธรรมและใจเป็นส่วนของนามธรรมแยกเป็นธาตุสิก็ได้ธาตุสิไม่ใช่ธาตุทางเคมีหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมรมณ์ ความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็น18อย่างอย่างละหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ6รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภ ธ, ธรรมารมมนะ์ก็หกวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อีก6รวมแลนะ้ว18บแปดยังแยกอย่างอื่นได้อีกแยกเป็นอินทรีย์22ตัวก็นะาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอินทรีย์อีกแหลนะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ก็เป็นอินรีก็รวมความแล้วเป็นแค่สภาวะของรูปธปรรมนามธรรมแยกเป็นปฏิจารสมุปปบาท1ิอย่างก็ได้อวิชาก็เป็นนามธรรมาสังขารเป็นนามธรรมานามรูปมีทั้งรูปทั้งนามอายตนะมีทั้งรูปทั้งนามรวมความก็คื อ, คอการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นส่วนส่วน พระพุทธเจ้ามีวิธีการที่จะทำให้เราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนท่านคนพบว่าตัวตนนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดเป็นความมิปรารความหลงผิดของจิตมันเกิดจากการที่ขันห้าหรืออายตนะหกอะไรอย่างเงี้ยหรือท่าสิบแปดหรืออินสียสองมันมาทำงานร่วมกันถ้าสามารถแยกมันออกมาเป็นส่วนๆได้เพราะว่าตัวตนหายไป เมือนอย่ามีรถยนต์หนึ่งคันจับมาถอดเป็นชิ้นชิ้นรถยนต์จะหายไปเพราะรถยนต์ไม่มีจริงมันมีด้วยการสำคัญมั่นหมายว่ามีเรียกสัญญามันวิปลาสมีด้วยการคิดผิดผิดว่ามีเรียกว่าจิตตะวิปลาสมีด้วยความเห็นผิดว่ามีเรียกว่าทิฏฐิวิปลาส์วิปลาส์ก็เพียนเพียนไม่ตรงความจริงอย่างเราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆ แต่พอเราถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นชิ้นแล้วรถยนต์ก็หายไปกลายเป็นลูกล้อกลายเป็นพวงมาลัยกลายเป็นกันชนกลายเป็นเบาะเป็นตัวถังเป็นโชคเป็นอะไรเป็นเครื่องยนต์ถังน้ํามันถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์กันเล่งก็ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยพอเราถอดสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ออกเป็นชิ้นชิ้นแล้วความเป็นรถยนต์ก็หายไป งั้นถามว่ารถยนต์มีไหมมีนะแต่มีด้วยการที่มันประกอบขึ้นมาจากอะไรจํานวนมากมีตะปูมีนอยย็อตหลายแยะมีสายไฟมีหลอดไฟมารวมๆกันแล้วกลายเป็นรถยนต์พอถอดเป็นชิ้นๆแล้วหลอดไฟก็ไม่ใช่รถยนต์สายไฟก็ไม่ใช่รถยนต์กระจกก็ไม่ใช่รถยนต์รถยนต์หายไปแล้วความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็เหมือนกันเหมือนเรารู้สึกว่ามีรถยนต์เรารู้สึกว่าตัวเรามีจริงๆ เรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชินช้นชนะิ้นแแต่และชิ้นจะไม่ใช่ตัวเราวิธีถอดตัวเองเป็นชินช้นชิ้นะก็ถอดได้หลายแบบถอดเป็นขันห้าก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าถอดออกมาเป็นขันห้ารูปก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราสัญญาความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราสังขาร คือความปรุงดีปรุงชั่วต่างๆไม่ใช่ตัวเราวิญญาณคือความรับรู้คือตัวจิตไม่ใช่ตัวเราหรือจะถอดออกมาเป็นอายตนะหก็ได้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกไปตาหูจมูกลิ้นกายนี่ส่วนของกายและความรู้สึกต่างๆนี่ส่วนของใจนี่แยกออกไปตาก็ไม่ใช่เราหูก็ไม่ใช่เราจมูกก็ไม่ใช่เราลิ้นก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราถอดค่อยๆแยก การที่หาดแยกธาตุหัดแยกขันต่างๆนานๆนี่นะจะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้อันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนะเรียกว่าวิพัฒชวิธีว่าแหวนสระอีพอสำเภาไหมนะกาศชช้างวิพัฒ ช, ชะนี่บางคนก็คิดว่าจะล้างความยึดถืออยากเป็นพระอราหันต์ล่าเลยคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปหาวิธีแปลก ทีก็สอนกันนะว่าประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนิรันดรนละ้วเป็นพระอรหันต์ไม่ผ่านกระบวนการแยกธาตุแยกขันธ์ที่พระพุทธเจ้าคนพบอยู่ๆก็บอกไปปรุงจิตให้นิ่งๆการแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างอะไรมันเป็นวิธีการของลือศีชีไพรเขาทํามาก่อนพระพุทธเจ้าอีกมันนิ่งได้มันก็ฟุ้งได้อีกต้องแยกธาตุแยกขันธ์ หรือบางคนก็สอนกันนะบอกอย่าไปยึดถืออะไรเลยไม่ต้องยึดถืออะไรสักอย่างเลยศีลนะ ส, สมาธิปัญญาก็ไม่ต้องทำถ้าทาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือยึดถือนะนี่คิดเอาเองทั้งสิ้นนะนะบางทีสวมเครื่องแบบลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปนะในสอนมิจฉาทิฏฐิแท้ๆเลยพวกเราชาวพุทธขาดการศึกษาเราก็ไม่รู้เลยบางทีพระเทศเราก็เชื่อนะ ข่าวัดนนเทศอย่างนี้ค่าวัดนี้เทศอย่างนู้นนึกว่าจริงไปหมดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แทรกเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ย ย, ย่อยแย่ไปหมดเลยต้องเรียนให้ดีนะกระบวนการที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเขต้องทําลายความเห็นผิดความเห็นผิดตัวฉกาดเลยตัวอวิชาความโ ง, ง่ความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกอะไรเรียกว่าทุก็ ค, คือสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรานั่นเอง ถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งจะรู้เลยว่ามีทุกข์แต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอะไรเรียกว่าทุกข์ก็ขันห้านั่นแหละเรียกว่าทุกข์อายตนาหนั่นแหละตัวทุกข์ธาตุสินั่นแหละตัวทุกข์อินทรีย์ยีนั่นแหละตัวทุกข์ก็สิ่งเหล่านี้แหละตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราความจริงเป็นตัวทุกข์ เป็นตัวที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นตัวที่ถูกบีบขั้นเป็นตัวที่ไม่ดีไม่วิเศษแต่เราไม่รู้จักนะเราก็ไปยึดเอาก้อนทุกข์นี้มาไปยึดเอาขันห้ามาเป็นตัวเราไปยึดขันห้ามาเป็นตัวเราเพราะขันห้ามันต้องแปรปรวนไปตามธรรมชาติของมันมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้มันถูกบีบขั้นตลอดเวลาเราก็เลยพลอยถูกบีบคั้นไปด้วยรู้สึกร่างกายมันแก่ก็รู้สึกว่าเราแก่ร่างกายมันเจ็บก็ว่าเราเจ็บร่างกายมันตายก็ว่าเราตาย พลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยใจของเรารักกันนี้เราพลัดพรากจากสิ่งที่รักไปก็บอกว่าเราพลัดพรากเราเจอสิ่งที่ไม่รักเนี่ยกลายเป็นเราเจอไปหมดจริงๆใจเราไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจงั้นมาหัดแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งเฉพาะาตัวเราไม่มีความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความทุกข์คือขันห้านั่นแหละอายตนะหกนั่นแหละ เป็นตัวทุกรูปทุกหรือไม่ทุกลองดูลงไปในร่างกายเราเนี่ยทุกหรือไม่ทุกทุกหรือสุขของเป็นทุกแท้ๆนะเห็นว่าเป็นสุขไปได้นั่งอยู่เดี๋ยวก็เกาทําไมเกาเพรามีความสุขหรือมันขันจะมีความทุกข์นั่งอยู่เดี๋ยวก็กระดุกกระดิกขยับเอวไปขยับเอวมาอยางลุกขึ้นเดินไม่ได้ทําไมต้องขยับเอวไปเอวมา ก็เพราะมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยนี่เราเห็นตัวทุกข์นะว่าเป็นของดีของวิเศษเราหลงรักในร่างกายนี้มากเลยความรู้สึกต่างๆเราก็นึกว่าจริงจังความสุขเกิดขึน้นเป็นนึกว่าเราสุขความทุกข์เกิดขึน้นเป็นเราทุกข์ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์เป็นก็จะเห็นนะความสุขก็ส่วนของความสุขจิตก็ส่วนของจิตร่างกายก็ส่วนของร่างกาย ความทุกข์ก็ส่วนของความทุกข์นะร่างกายก็ส่วนของร่างกายจิตก็ส่วนของจิตไม่เกี่ยวอะไรกันออกมันแยกออกจากกันถ้าเราแยกขันออกเป็นนะเวลาไม่สบายเราจะเห็นร่างกายมันนอนอยู่เห็นความเจ็บปวดนั้นแทรกอยู่ในร่างกายไม่ใช่ร่างกายเจ็บปวดนะความเจ็บปวดกับร่างกายมันเป็นคนละอันกันแต่คนที่สติปัญญาไม่พอเขคิดว่าร่างกายของเราปวด แต่ถ้าเราแยกธาตุแยกขันธ์เป็นกอเห็นร่างกายมันนอนอยู่เฉยๆความเจ็บปวดมันแทรกเข้ามาในร่างกายจิตก็ไม่ได้เจ็บปวดจิตเป็นคนรู้ว่าตอนนี้มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนี่จิตที่ไม่ได้ฝึกอบนมเจริญปัญญามาก่อนมีแต่ความลงผิดมีแต่ความเห็นผิดพอมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในร่างกายก็คิดว่าร่างกายของเราเจ็บป่วยกลายเป็นร่างกายของเราเจ็บป่วยขึ้นมา แต่ถ้าแยกขันเป็ น, ray, yeah, น, นจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายของเราเจ็บป่วยไม่ใช่จิตของเราเจ็บป่วยความเจ็บป่วยเป็นแค่สภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านเข้ามาชั่วครั้งชัว่วคราวแล้วก็หายไปมีไหมความเจ็บป่วยที่ไม่หายมีไหมไม่มีนะกระทั่ ง, ง, เ, ป เ, เ, ง, นะงเป็นมะเร็งก็หายนะถึงจะเป็นมะเร็งก็หายความเจ็บป่วยสุดท้ายเอาไปเผานะ มะเร็งตายพร้อมกับเราแหละสุดท้ายตายด้วยกันนะมันไม่ชนะเรานะใครพี่เป็นมะเร็งหรือใครเป็นเออเนี่ยตกใจเออดไม่ชนะเราหรอกเสมอกันอย่างมากก็เสมอกันารเราค่อยฝึกไปนะกระทั่งความทุกข์ในโลกนี้ก็เหมือนกันความทุกข์ในโลกก็อยู่ชั่วคราวนี่พอเรามาหาดแยกธาตุแยกขันมากๆเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่เราเนะมาแล้วก็ไปวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาแล้วก็ไปเรามาทดลองดูว่าวิญญาณมาแล้วไปไหมเนี่ยใครว่าดูจิตยากองมาดูเชิญดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ดูลงที่ยอดท่านซีว่าประกอบด้วยแฉกเล็กๆกี่แฉกสังเกตไหมไม่ได้ดูอย่างเดียวแต่ดูไปคิดไปสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหมเวลาดูก็มีวิญญาณทางตาเวลาคิดก็มีวิญญาณทางใจความรับรู้ของเราสลับอยู่ตลอดเวลา สังเกตไหมดูพระพุทธรูปนะใจหนีคิดแวบบแวบบแวบบนะบางทีก็คิดเรื่องพระมีเท่าไหร่วะเท่าไหร่หนึงสองสม้าวสามแล้วเอาใหม่ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยวิญญาณทางตาก็ไม่เที่ยงลองดูพระพุทธรูปนะพยายามดูให้ชัดดูทั้งองค์เลยให้ชัดให้ชัดทั้งองค์ดูได้ไหมสังเกตได้ไมมันชัดเป็นส่วน พอจะไปดูอีกส่วนหนึ่งขยับตาไปรู้สึกไหมมีการขยับตาย้ายที่ดูนะเนี่ยวิญญาณทางตาที่แรกดูตาข้างซ้ายของพระคิดว่าจําได้แล้วก็ขยับไปดูตากว่าของพระตาซ้ายก็ดับไปเลือ น, นไปอาศัยความจำนะมาต่อภาพเล็กๆที่เราเห็นทีละขณะทีละขณะนี้เอามาต่อเหมือนเราต่อจิกซอนะแล้วก็เป็นภาพพระพุทธ ร, รูปภาพพุทธ ร, รูปที่เราเห็นทั้งองค์นั้น เป็นภาพที่เกิดจากความจำของเราเองส่วนที่ตามองเห็นนะเห็นนิดเดียวเห็นแว บ, บเดียวเห็นยังไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยวิญญาณเกิดดับนะกระทั่งวิญญาณทางตาเกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบเลยอาศัยสัญญามารวมกันเข้าคิดว่ามีจริงๆสังเกตไหมสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่พระพุทธรูป สงเกตไหมสิ่งที่เรามองเห็นคือสีคือแสงที่สะท้อนเข้าตาเท่านั้นเองคำว่าพระพุทธ ร, รูปนั้นคือสิ่งที่ใจคิดขึ้นมาเะนั้นเวลาที่ตามองเห็นนะไม่มีความหมายอะไรตามองเห็นสีเท่านั้นเองหูก็ได้ยินแค่เสียงไม่มีหรอกเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงเพราะเสียงไม่เพาะาะเสียงชมเสียงด่าไม่มีหูได้ยินแต่เสียงใจต่างหากที่เป็นคนแปล เวลาจมูกได้กลิ่นจมูกก็ได้กลิ่นอย่างเดียวกลิ่นหมาเน่ากลิ่นทุเรียนกลิ่นชีสกลิ่นอะไรเนี่ยใจมันคิดขึ้นมาสัญญามันจําขึ้นมาลองแยกไปสนะิแยกไปแล้วเราจะพบว่าชีวิตเรามีช่วงขณะแว็บเดียวเท่านั้นเองแล้วแวบนั้นไม่มีตัวมี ต, มตนอะไรหรอกความีตัวมีตนอาศัยสัญญาไปประมวลข้อมูลจํานวนมากเข้ามาแล้วก็สําคัญมั่นหมายขึ้นมา สำคัญมันหมายว่าตัวเรามีอยู่จริงๆริงพอแล้วไม่ต้องดูพระแล้วเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อบอกพอแล้วไม่ต้องดูพระถามจริงจรใครกําลังดูพระอยู่บ้างแทบไม่มีเลยกําลังหลงอยู่นึ้ อ, ออกไหมหลงจริงด้วยเนาะ อ, อัศจัน <laughs> ลืมตัวเองตลอดเลย รู้สึกนะรู้สึกหัดแยกธาตุแยกขันต์ไปจะแยกธาตุแยกขันต์ได้ต้องไม่ลืมตัวเองรู้สึกตัวเองบ่อยๆถ้าเราลืมตัวเองนี่ไปแยกลิงแยกข้างที่ไหนล่ะจะแยกธาตุแยกขันต์ต้องรู้สึกอยู่ในธาตุในขันต์นี้ใครยรู้สึกไปแล้วเราครยจะดูไปสิแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเราผมไม่ใช่เราเหมือนเราดูพระพุทธรูป่ะลูกตาข้างซ้ายไม่ใช่พระพุทธรูปลูกตาขวาไม่ใช่พระพุทธรูป ในร่างกายเราก็เหมือนกันผมก็ไม่ใช่คนเล็บก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เราฟันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เราดูเราไปเรื่อยความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เราความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เราหันดูไปความรับรู้ทางตาก็ไม่ใช่คนความรู้สึกทางตาเป็นคนที่ไหนล่ะความรู้สึกทางหูเป็นคนที่ไหนล่ะความรับรู้ทางหู ความรับรู้ทางใจก็ไม่ใช่ขนเดี๋ยถ้าเราแยกธาตุแยกขันเป็นนะตัวเราจะหายไปความเป็นตัวเป็นตนจะหายไปเหมือนเราถอดรถยนตนะ์เป็นชิ้นชิ้นะล้พอถอดรถยนต์เป็นชิ้นช้นรถยนต์หายไปนะเหลืออะไรกล่องเบลอเลย <c oughs> เวลาถอดก็ง่ายเนาะไม่ยากหรอกเรามาใส่ยากนะใส่แล้วมักจะมีอะไรตอนอะไรเกินอย่างเราถอดอุปกรณ์อะไรสักชิ้นนะ ถอดรถไปเราใส่คืนนั่นใส่ไม่หมดบางทีถอดรถยนต์นะง่ายประกอบรถยนต์ยากแต่จิตใจเราที่ประกอบเป็นตัวตนนี้ง่ายแยกขันแยกธาตุแยกขันเพื่อทําลายความเป็นตัวตนนี่ยากนะเหมืนกับข้างกับทํารถยนต์นะมีรถอยู่คันนึงจับมันถอดมัยากอะไรใช่ไหมจับมันใส่ยากใช่ไหมเอามารวมกันยากของเรามันรวมอยู่แล้วล่ะ มันชอบรวมอยู่ล้มีความหลงผิดมีความสําคัญมั่นหมายผิดรวมเป็นตัวเป็นตนอยู่ตลอดจะมาแยกธาตุแยกขันธ์นะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคําสอนซึ่งไม่มีที่อื่นมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปพอแยกแล้วตัวตนจะหายไปไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่นึกเอาว่าตัวเราไม่มี บางคนมักง่ายมันนึกเอาว่าตัวเราไม่มีนึกยังไงมันก็มีนะบอกไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรก็ยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไรนะอยากจะไม่ยึดนะก็มีความอยากอยู่ดีนะบอกว่าจะเป็นพระอราหันต์ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างทาไมประคองก็อยากเป็นพระอราหารันตะ์กิเลสตัณหายังอยู่เลยนะ เพราะฉั้นสิ่งที่จงใจทําขึ้นมานั้นทําด้วยกิเลสตัณหาทั้งสิ้นเลยทำไมต้องทําด้วยกิเลสตัณหามันรักตัวเองฉันเป็นพระอรหันต์ได้ฉันจะได้มีความสุขมันมีชั้นตัวเบลอซ่อนอยู่ข้างหลังมันไม่ได้ละความมีตัวมีตนไม่ได้ละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไม่ได้ละความยึดถือว่ามีตัวมีตนมีสองอันนะที่เราต้องละมันอันแรกละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนด้วยการเห็นถูกว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนอายตนะไม่ใช่ตัวตน ไม่มีทางอื่นหรอกก็ต้องดูอยู่ในขันห้ายตระหนะหกาสิบแปินสี่ยี่สปฏิจจสุบาตสิบอย่างนี้ดูอยู่ในอริยสัจถ้าดูไปได้ก็จะเห็นรูปธรรมนามาทำทั้งหลายไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่ sucking, สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็ล้างความเห็นผิดว่ามีต yes. ัวมีตนได้พอล้างความเห็นผิดได้ก็เป็นพระโสดาบัน แม้พระโสดาบันไม่ได้เกิดจากการรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างหรือการจะเป็นพระอรหันต์นั้นหมดความยึดถือในตัวในตนหมดความยึดถือในธาตุในขันธ์ในอายตนะทั้งหลายไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยึดอะไรเลยไม่ใช่จงใจไม่ยึดจงใจไม่ยึดนั้นทําด้วยความอยากแต่ที่ไม่ยึดได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริง ว่าขันท่าในยะตะนะทั้งหลายรูปนามทั้งหลายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของซึ่งเราบังคับเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงอย่างความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายความทุกข์นะไปเกลียดมันเปล่าๆมันอยู่ชั่วคราวก็สลายกุศลที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับอกุศนะลที่เราเกลียดนะมันอยู่ชั่วคราวมันก็ดับ มีแต่สภาวะที่เกิดแล้วดับสภาวะที่เกิดแล้วดับนะจิตก็ไม่ยึดถืออะไรนะเพราะเห็นความจริงแล้วว่ารูปนามขันห้ายตะนะนะไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเนี่พราเห็นอย่างนี้นะถึงปล่อยวางเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพระเบื่อหน่ายจึงคลายาำนัดคือคลายตัณหา พรใครกําหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะไม่ใช่เพราะจงใจให้หลุดพ้นถ้าเราสั่งจิตว่าจงอย่า ย, ยึดถืออะไรเลยแล้วจิตก็เชื่อไม่ยึดถืออะไรเลยอันนั้นจิตเป็นอนัตตาในความเป็นจริงจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้หรอกลองสั่งสิจงมีแต่ความสุขมันเชื่อไหมล่ะจงอย่ายชั่วมันเชื่อไหมล่ะนทะําไม่ได้นะมันเป็นอนัตตา การที่เราจะไปแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างหวังว่าจะเป็นพระอราหันต์นะมันเป็นไม่ได้เพราะมันยังไปยึดถืออยู่อย่างน้ําก็ยึดถือจิตนะเห็นว่าจิตนี่เป็นของที่อยู่ในอํานาจบังนคะับจะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างสั่งจิตว่าอย่าไปยึดอะไรนะบางคนนะไปเห็นรูปครูบาอาจารย์ไปปลดลงมาเหยียบอะไรเงี้ยนะบอกว่านี่แสดงความไม่ยึดถือที่จริงแสดงทิฏฐิมานะนะถ้าไม่ยึดถือทำไมต้องทําอย่างนั้น นี่เป็นวิชาทิฐินะเพราะฉะนั้นเราจะหมดความยึดถือได้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงพราเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษมีแต่ตัวทุกข์มีของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพราะเห็นความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายกําหนั ด, นะน ด, ดพเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพรหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะจบแล้ว กิจที่ต้องทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อจะพ้นทุกเนี่ยไม่มีอีกลนะเนี่ยเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าผ่าเดินเนี่ยเป็นเส้นทางของการเจริญปัญญานะนีโดยมีศีลมีการฝึ ก, กจิตใจให้สงบตั้งมั่นเนีเป็นพื้นฐานศีลและสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านเอามาใช้ประโยชน์ต่อยอดขึ้นไปสู่การเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นทําด้วยการหัดแยกธาตุแยกขันธ์ จนเห็นความจริงว่ า, าธาตุขันแต่ละอย่างแต่ละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเนี้ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิน้นไม่มีตัวตนถาวรพอเห็นอย่างนี้เป็นพระโสดาบันถัดจากนั้นก็ดูสภาวะของาธาตุของขันต่อไปอีกนะจนเห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายซึ่งเราเห็นมาแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราเนี้ยในความเป็นจริงเป็นตัวทุกข์ ทุกข์เพราะมีเที่ยงทุกข์เพราะเป็นทุกข์คือถูกบีบขั้นทุกข์เพราะว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานะเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะก็คือเห็นในขันนี้แจ่มแจ้งอายตนะนี้แจ่มแจ้งนะเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตก็หมดความยึดถือสลัะคืนขันห้าให้โลกไปไม่ยึดถือก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะไม่ยึดถือที่ไม่ยึดถือเพราะมีปัญญาแก่รอบพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการทําสมาธิรักษาจิตให้นิ่งๆไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิมานะว่าฉันจะไม่ยุดอะไรฉันจะมียุดอะไรแต่ถึงด้วยปัญญาปัญญานั้นเห็นความจริงว่าขันห้าอายตนะหกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะั้นะไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะทํำยังไงเราจะเห็นจะแยกขันห้าได้ จะฝึกแยกขันห้าจะทํำยังไงจิตต้องตั้งมั่นทํายังไงจิตจะตั้งมั่นต้องรู้ทานจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นเองเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเห็นขันมันทํางานไปเห็นธาตุมันทํางานเห็นนายตระมันทํางานไปจะเห็นว่ามันทํางานได้เองมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่คงทนถาวรนิรันดร์อยู่เลยก็จะล้างความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนที่ถาวร ลางความเห็นผิดตัวนี้ได้เป็นพระโสดาบันได้ถัดจากนั้นก็มาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันต์ต่อไปอีกนะเป็นเห็นเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยขันธ์ทั้งหลายนั่นแหละทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขามีแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าเห็นทุกข์ล้วนๆได้อย่างนี้นะก็ล้างอาวิชชาได้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากจะให้ ให้ตัวเราเป็นสุขไม่มีแล้วความอยากจะให้ธาตุให้ขันเป็นสุขไม่มีแล้วเพราะมันมีแต่ตัวทุกข์นะเพราะความอยากไม่มีนะความอยากให้สุขไม่เกิดขึ้นความอยากพ้นทุกข์ไม่มีเพราะมันทุกข์ยังไงก็พ้นไม่ได้พอหมดความอยากนะใจจะสัมผัสพระนิพพานในสภาวะที่พ้นจากความอยากใจจะสัมผัสพระนิพพานจะได้เข้าถึงบรมสุขกับเขาเสียทีเส้นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทั้งไหลายท่านเดินท่านเดินกันอย่างนี้นะ ไม่ใช่เดินด้วยการนั่งสมาธิเฉยๆนะไม่ใช่เดินด้วยการปรุงแต่งจิตให้ดีให้งามนะแต่เพราะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แตกฉานแลนาเชิญนะไปทานข้าว